6. กุติการาศิขาบทว่าด้วยการก่อสร้างกุฏีเรื่องภิกษุชาวเมืองอารวี 342. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพทธเจ้าประทับอยู่ณเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืครั้งนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวี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 เถาวันไม้ไผ่หญ้าม้งกระต่ายหญ้าแฝกหญ้าสามันดินเหนียวพวกชาวบ้านถูกรบกวนด้วยการขอด้วยการออกปากขอพบเห็นภิกษุทั้งหลายต่างพากันหวาดสะดุ้งบ้างหลบหนีไปที่อื่นบ้างเดินเลี่ยงไปทางอื่นบ้างเมินหน้านี้บ้างปิดประตูบ้านบ้ า, บางพบเห็นแม่โคเข้า ก็วิ่งหนีเพราะเข้าใจว่าเป็นภิกษุบ้างครั้งนั้นท่านพระมาหากัสปะจำพรรษาในเขตกรุงราชคฤห์ออกเดินทางไปทางเมืองอารวีจาริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองอารวีขา ว, ว่าท่านพระมาหากัสปะพักอยู่ณนะอคาระวะเจดีเขตเมืองอารวีนั้นครั้นเวลาเช้าท่านครองอันตราวาศกถือบาทและจีวรไปบินทบาท ในเมืองอารวีพวกชาวบ้านพอเห็นท่านต่างหวาดสะด ung บ้างหลบหนีไปที่อื่นบ้างเดินเลี่ยงไปทางอื่นบ้างเมินหน้าหนีบ้างปิดประตูบ้านบ้างครั้นท่านพระมหากรสปะบิณฑบาตในเมืองอารวีกลับจากบิณฑบาตหลังจากชั้นอาหารเรียกภิกษุทั้งหลายมาถามว่าท่านทั้งหลายเมื่อก่อนเมืองอารวีมีอาหารบริบูรณ์หาอาหารได้ง่าย ภิกษุสงฆ์บิณฑบาตหาเลี้ยงชีพได้ง่ายแต่บัดนี้เมืองอารวีกลับมีข้าวยากหมากแพงหาอาหารได้ยากยากที่พระอริยะจะบิณฑบาตยังชีพได้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เมืองอารวีนี้มีข้าวยากหมากแพงหาอาหารได้ยากยากที่พระอริยะจะบิณฑบาตยังชีพได้ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทเรียนเรื่องนั้นให้ท่านทราบ34มสา ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์ตามพระพุทธาพิรมแล้วได้เสด็จไปทางเมืองอาราวีเสด็จจาริรไปโดยลำดับจนถึงเมืองอาราวีข่าวว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะอาคารวเจดีเขตเมืองอาราวีนั้นครั้งนั้นท่านพระมหากรสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับ รันถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณนที่สมควรได้กลาบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ